กามนิปาติโนจิตตัสสะดมะโทซาทุจิตตังดันตังสุขาวะหันติบัรนี้จากแสดงพระธรรมเทศนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาตถาคตเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์มีความสงบแห่งใจเป็นเบื้องต้นมีความผ่องใสแห่งใจเป็นที่สุด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 เมื่อพูดถึงความรักอาตมาว่าคงไม่มีใครปฏิเสธที่ว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีความรักแล้วความรักนั้นหน้าตาเป็นยังไงทำไมทุกคนถึงอยากจะได้อยากจะครอบครองกันไว้จริงๆแล้วความรักนั้นไม่มีหน้าตาจับต้องไม่ได้เพราะเป็นนมามธรรมเป็นอาการหนึ่งของใจแล้วอาการของใจอย่างไรจึงจะเรียกว่าความรักในภาษาไทยเรานั้น บางครั้งเราก็มักจะใช้คําที่มีความหมายใกล้เคียงหรือความหมายเหมือนกันเอามาเรียงต่อกันเป็นคําพูดเช่นใหญ่โตนุ่มนิ่มบ้านเรือนห้างร้านขาแข้งว่องไวกักขังเป็นต้นอย่างคําว่าบ้านเรือนนั้นค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสองคำที่มีความหมายเหมือนกันฉะนั้น เราก็ลองหาคำที่เราใช้กันอยู่ในลักษณะนี้เพื่อที่จะได้เห็นภาพของศัพท์คาว่าความรักได้ดีขึ้นส่วนมากความรักนั้นเราจะใช้คู่กับคาว่าเมตตาดังตัวอย่างที่ว่าพ่อแม่นั้นมีความรักความเมตตาต่อลูกเสมอนี้ก็เชื่อเห็นถึงลักษณะของความรักว่ามีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับคาว่าเมตตาเมตานั้นแปลได้ความว่า ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขฉะนั้นลักษณะอย่างหนึ่งของความรักคือใจที่ปรารถนาให้บุคคลสัตว์หรือสิ่งของที่เรารักนั้นมีความสุขส่วนอีกคำที่เราจะได้ยินกันจนชินหูก็คือคำว่ารักใคร่คำว่าใคร่นั้นแปลว่าอยากซึ่งอยากในที่นี้ส่วนมากเราจะใช้เกี่ยวกับความอยากในทางกรรมคุณคืออยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในสัมผัสคืออยากได้หรืออยากครอบครองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นไว้โดยทั่วไปแล้วเวลาเราพูดถึงความรักใคร่ส่วนมากเราก็นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับทางเพศซึ่งเรื่องทางเพศนั้นถ้าเรามองให้ดีก็จัดเป็นส่วนหนึ่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองฉะนั้นอีกอาการหนึ่งของความรักนั่นก็คือความอยากได้อยากครอบครองไว้นั่นเองส่วนคาว่า ความรักความผูกพันความรักความห่วงใยความรักความคิดถึงเหล่านี้ก็เป็นอาการในชั้นหลังของความรักใคร่นั่นเองเพราะอยากครอบครองหรือครอบครองได้แล้วจึงมีความผูกพันห่วงใยคิดถึงเหล่านี้ตามมาและอีกคำหนึ่งที่เราน่าจะยังพอได้ยินกันคือความรักความเสน่หานั่นเองเสน่หานั้นใช้ในลักษณะความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อความยินดีพอใจไปอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์ผลที่ตามมาคือคนคนนั้นจะมีศักยภาพที่ทําให้เกิดความยินดีพอใจขึ้นในใจของบุคคลอื่นนั่นเองที่ว่ามายืดยาวนี้ก็พยายามจะทําให้เห็นถึงภาพของความรักนั่นเองสรุปก็คือลักษณะของความรักนั้นก็จะประกอบไปด้วยอาการ3ามอย่างคือความเมตตาความอยากครอบครองความยินดีพอใจ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าซึ่งธรรมชาติของคนหรือสัตว์นั้นก็ต้องการที่จะถูกรักหรือครอบครองความรักแต่โดยปกติคนเรานั้นเมื่ออยากได้ก็จึงแสวงหาพยายามทำให้คนที่เราอยากให้เขารักเรานั้นมารักเราอาตมาขอเรียกวิธีที่ทำให้คนอื่นมารักเราแบบนี้ว่าแบบโลกวิธีเมื่อมีแบบโลกวิธีก็ต้องมีแบบ พุทธวิธีเช่นกันพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้เช่นกันแต่วิธีของพระองค์นั้นไม่ได้เน้นให้เขามารักเราแต่สอนให้เรานั้นมาปรับปรุงตัวเองให้เป็นที่น่ารักของเขาซึ่งขอเรียกวิธีนี้ว่าแบบพุทธวิธีเมื่อเราน่ารักแล้วเขาก็จะมารักเราเองจากที่กล่าวมาข้างต้นอาการของใจคือใจที่มีความอยากครอบครองความยินดีหรือความเมตตานั้น เป็นลักษณะของใจที่มีความรักเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทําให้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับใจจึงจะขึ้นชื่อว่าได้สร้างความรักขึ้นในใจและเหตุของการที่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของใจก่อนธรรมชาติของคนเรานั้นไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนอยู่ในสมัยใดก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือใจทุกดวงนั้นมีสภาพที่ชอบความงาม เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เพียงแค่สร้างความงามให้เกิดขึ้นที่เราเองเราก็จะมีศักยภาพในการที่เราจะเป็นที่รักของเขาได้พูดอย่างนี้แล้วอาตมาไม่ได้มุ่งหมายให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายรียบเข้าไปร้านเสริมสวยเสริมหล่อนะอย่าเพิ่งคิดไปรวดเร็วอย่างนั้นก่อนที่จะได้ว่าถึงพุทธวิธีในการทำให้คนรักนั้นก็ขอพูดถึงเรื่องความงามให้ชัดเจนสักหน่อยก่อน ความงามที่ว่ามานั้นแบ่งออกเป็นสชั้นชั้นนอกสุดงามอาพรคือชั้นที่หนึ่งถัดให้ละเอียดเข้าไปอีกอย่างที่สองคืองามร่างกายละเอียดยิ่งขึ้นเป็นชั้นที่สคืองามอรยาตและชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นที่4นั้นละเอียดที่สุดคืองามจิตพุทธวิธีที่ทำให้คนรักนั้นก็คือสร้างความงามขึ้นในเรานั่นเองงามอาพร ความงามประเภทนี้เป็นความงามที่เราหยิบยืมจากสิ่งรอบตัวคือเอาของที่ว่างามมาประดับร่างกายให้งามนั่นเองซึ่งจะว่าไปแล้วเราไม่ได้งามเองแต่เสื้อผ้าคเครื่องประดับนั้น ง, งามถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ความงามก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วอย่างไรจึงจะเหมาะสมความสะอาดการนุ่งห่มให้เรียบร้อยและถูกกับกาลเทศะเหล่านี้จึงจะเรียกว่าเหมาะสม ส่วนจะสีอะไรลวดลายยังไงนั้นเป็นส่วนที่ต่างคนต่างที่จะสรรหามาใช้แต่ก็อย่าลืมจุดสำคัญที่ว่าสะอาดนุ่งห่มเรียบร้อยถูกกาละเทศะนี้เป็นหลักของความงามทางด้านอาพรงามชั้นที่สองคืองามร่างกายนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าสุวรรณตาเป็นผู้มีผิวงามคือผิวสะอาดผิวเกลี้ยง ไม่เป็นโรคผิวหนังเป็นต้นสุสรตาเป็นผู้มีเสียงงามคือเสียงที่ปกติไม่ผิดธรรมชาติคือชายก็เสียงเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็มีเสียงแบบผู้หญิงลองคิดดูถ้าผู้ชายคนไหนมีเสียงเป็นแบบผู้หญิงแล้วเราก็ว่าคนนั้นเสียงผิดธรรมชาติไม่สมตัวสุสัทธ่านังเป็นผู้มีสันตานดีอันนี้ตรงกับคาว่าสันทั์คือสมส่วนนั่นเอง สุรูปรตาเป็นผู้มีรูปงามอย่างไรถึงเรียกว่ารูปงามก็คืออวัยวะครบและสมบูรณ์ในแบบที่ควรเป็นเช่นมีแขนสองแขนถ้าเกิดใครมีสามแขนก็คงจะประหลาดหน้าดูซึ่งแบบนี้เราก็ถือว่ารูปไม่งามจะเห็นได้ว่างามร่างกายนั้นพระพุทธองค์ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้พอเหมาะพอดีทีเดียวงามในแบบที่ไม่มากเกินพอดี หรือไม่น้อยจนดูไม่ได้ซึ่งงามร่างกายนี้ส่วนมากก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กบเนิดแล้วจะว่าไปก็เป็นผลในส่วนของกรรมที่เราเคยทำไว้นั่นเองอย่างคนที่มีผิวงามเหตุก็คือเป็นคนไม่มักโกรธเป็นต้นงามร่างกายพูดกันเท่านี้ก็คงเข้าใจกันพอสมควรงามร่างกายกับงามอาพรนั้นถือว่าเป็นงามชั้นนอก งามชั้นนอกนี้บางครั้งก็มีเหตุที่ไม่สามารถทำให้งามได้เช่นเกิดมาร่างกายพิการเป็นต้นส่วนอีกสองงามก็คืองามมารยาทและงามจิตนั้นเป็นงามภายในงามสองอย่างนี้เราสามารถทำให้เกิดให้มีขึ้นในเราได้อีกทั้งงามทั้งสองอย่างหลังนี้เป็นงามที่กำหนดความงามจริงๆของคนเราและการที่คนอื่นจะมารักเรานั้นก็เพราะ งามสองอย่างหลังนี้เป็นสำคัญลองนึกดูว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีผิวพรรณงามนุ่งห่มเสื้อผ้าอย่างดีถ้าเราดูแค่นี้แน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีคนรักแน่นอนแต่ถ้าเกิดเพิ่มเติมว่าปากร้ายด่ากราดไม่เลือกหน้าเห็นแก่ตัวขี้ขโมยดุร้ายเป็นต้นผู้ชายคนไหนอยากได้เอาไว้เป็นภรยาบ้าง อยู่ด้วยกันก็คงจะสุขน้อยกว่าทุกเป็นแน่แต่ในทางกลับกันแม้จะเกิดมายากจนหรือพิการแต่มีมารยาทงามและจิตใจดีแน่นอนว่าคนประเภทนี้ยังไงก็มีคนรักแน่นอนเพราะงามภายนอกที่ดูจะบกพร่องนั้นเป็นส่วนที่คนเรานั้นสามารถอภัยกันได้ได้ชี้ให้เห็นถึงความงามสองอย่างที่สำคัญอันเป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้คนรักได้ คืองามมารยาทกับงามจิตงามมารยาทกับงามจิตนั้นเกี่ยวเนื่องกันคงต้องอธิบายไปพร้อมๆกันเหมือนกับว่าจะอธิบายความงามของดอกไม้ก็คงต้องพูดถึงทรงสีและกลิ่นไปพร้อมๆกันที่ว่ามารยาทเกี่ยวเนื่องกับจิตนั้นก็เพราะว่ามารยาทเป็นอาการของจิตที่ผ่านออกมาทางร่างกายนั่นเองผ่านออกมาเป็นการกระทาหรือคาพูดถ้าใจไม่งาม ปริยาตก็ไม่งามอย่างเช่นใจนั้นเป็นใจประเภทใจหยาบเป็นใจดุร้ายเป็นต้นกิริยาที่แสดงออกมาก็เป็นคนดุร้ายกระด้างถ้าใจเป็นประเภทที่ถือตั ว, ถ, ตวถือตนว่าดีกว่าเขากิริยาที่แสดงออกก็ออกมาเป็นคนดูถูกคนพูดก็พูดดูถูกคนเป็นต้นเมื่อใจหยาบอย่างนี้มารยาทก็หยาบไปด้วยนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงว่า การที่เราจะจัดความงามทางมารยาตนั้นก็ต้องไปจัดที่จิตถ้าจัดที่จิตได้คืองามจิตแล้วมารยาทก็งามไปด้วยแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะ ง, งามอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะจิตเป็นนามนธรรมไม่มีรูปร่างแล้วเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือจัดการทำความงามให้เกิดขึ้นที่จิตได้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าลักษณะของจิตที่งามนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเราเข้าใจส่วนนี้ได้เราก็สามารถที่จะสร้างความงามให้เกิดขึ้นที่จิตเราได้มีพุทธวจนะอยู่บทหนึ่งว่าด้วยเหตุเกิดของความรักว่าไว้ว่าปุบเบวะสันิวาเซนะป จ, จุปปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะโยะโทะเกแปลความว่าความรักย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการคือเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนหนึ่ง ได้ให้ความอุดหนุนเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยน้ากับตมการที่ได้เคยอาศัยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนอาศัยเหตุอันนี้คงจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้แต่การที่ได้ให้ความอุดหนุนเกื้อกูลกันในปัจจุบันนี้เป็นเหตุที่เราสามารถทาให้เกิดขึ้นได้ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าหิตะแปลว่าประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งแปลใจความให้ง่ายเข้าก็คือความเอื้อเฟือนั่นเองฉะนั้นใจที่มีความเอื้อเฟือนั้นจึงจะสามารถที่จะทำให้คนมารักได้จะสร้างเอื้อเฟื้อขึ้นมาได้นั้นหลักๆ ก, ก็คือใช้ทานและศีลเป็นตัวสร้างขึ้นเพราะลักษณะของเอื้อเฟือนั้นก็คือมีการให้ปันมีเมตตาฉะนั้นเมื่อเราหมั่นให้ทานรักษาศีลอยู่เนื่งเนืองเอื้อเฟื้อนั้นก็จะเจริญขึ้นในใจของเรา เมื่อใจมีเมตตาหวังความสุขต่อผู้อื่นการให้ก็ให้ด้วยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับผลตอบรับจากใจงามเพราะมีเมตตาและทานที่กลับมาคือผู้ให้จึงเป็นผู้ที่ถูกรักมีพุทธวจนะที่รับรองตรงนี้ไว้อยู่เหมือนกันก็คือดะดามโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ว่าถึงเรื่องความงามมาพอสมควรสรุปก็คืองามที่อาพรและร่างกายนั้นเป็นงามที่ไม่ยั่งยืนแต่ความงามมารยาทและงามจิตนั้นเป็นความงามที่อยู่กับเราอย่างยั่งยืนเมื่อเราต้องการให้คนรักก็สร้างงามมารยาทและงามจิตให้เกิดขึ้นกับเราเราจะได้เป็นคนที่น่ารักและเขาก็จะรักเราเมื่อรู้จักวิธีที่จะทําให้เขารักแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงสอนวิธีที่จะรักษาความรักไว้ให้ด้วยคือหมวดธรรมที่ว่าด้วยคราวาสธรรมมีด้วยกันสีข้อคือจาคะคือการเสียสละหนึ่งสัจจะคือจริงหนึ่งธรรมะคือความขมใจหนึ่งและขันติคือความอดทนหนึ่งจาคะคือการเสียสละนั้นต่างจากทานะคือการให้ทานะนั้นท่านมุ่งเน้นถึงการให้ หรือสละสิ่งของเป็นสำคัญแต่จากะนั้นท่านเน้นในเรื่องที่ละเอียดลงไปในใจที่ว่านี้ก็หมายถึงสละอารมณ์ในใจคนเราไม่ออยู่ด้วยกันการกระทบกระทั่งย่อมมีเป็นของธรรมดาเมื่อมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ความไม่ยินดีพอใจก็มีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้สละอารมณ์เหล่านี้เสียเพราะอารมณ์ลักษณะนี้เป็นพิษกับใจ เมื่อมีอยู่ในใจของผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นเมื่อพูดก็พูดแต่คําเสี ย, เ, สยเมื่อทำก็ทำแต่เรื่องเสี ย, เ, สยเหตุเพราะใจเป็นนายกายเป็นเบาเหมือนอย่างที่ได้อธิบายไว้ตอนที่ว่าด้วยเรื่องงามารยาทและงามจิตฉะนั้นเมื่อเรารู้จักหัดที่จะสละอารมณ์ที่เป็นพิษกับใจเช่นนี้ได้ใจเราก็จึงเป็นใจที่ไม่ขุนมัวเป็นใจที่เย็นเชื่อมชื่น เมื่อใจดีใจเย็นคนอยู่รอบข้างก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยหัสสระอารมณ์เสียๆอย่างนี้ได้จนชํานาญยิ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะของการเป็นคนน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสัจจะคือความจริงนั้นก็เป็นอีกข้อธรรมหนึ่งที่เราจะเอาไว้รักษาความรักเอาไว้ให้ได้สัจจะเมื่อเข้าไปอยู่ในตัวผู้ใดแล้วผู้นั้นก็เป็นคนจริง คือทำจริงพูดจริงคือพูดอย่างที่ทำทำอย่างที่พูดและไม่ว่าจะพูดก็ดีทำก็ดีนั้นก็จริงอย่างที่คิดและอีกแง่หนึ่งของสัจจาก็คือเป็นจริงเช่นเป็นลูกก็ทำตัวให้เป็นลูกจริงๆถ้าเป็นลูกแล้วทำตัวเป็นพ่อก็เรื่องใหญ่เป็นสามีก็เป็นสามีจริงๆเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาจริงๆคือ เมื่อตัวมีคู่แล้วก็ไม่ทำตัวไปมีคู่อื่นๆที่ไหนทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับความเป็นคนมีคู่ให้จริงๆงจะดีฉะนั้นเมื่อจริงได้อย่างนี้จึงคุ้มครองไม่ให้เกิดความแตกร้าวบาดหมางเกิดความเสียอันเนื่องมาจากทาไม่จริงเป็นไม่จริงไม่สมกับที่ตัวเป็นธรรมะคือความขมใจและขันติคือความอดทนอดกลั้นก็เป็นอีกสองหลักธรรมสุดท้าย ที่เอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไม่ให้เกิดความเสียขึ้นจากข้อจาระคือการเสียสละที่ว่านั้นเมื่อเรายังสละอารมณ์อันเป็นพิษอารมณ์ที่เสียๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ก็ต้องรู้จักใช้ธรรมะคือความข่มเอาไว้ก่อนลักษณะของข่มไว้นั้นก็คือห้ามหรือหยุดนั่นเองและอีกประการหนึ่งคือกระบวนการการไตรตรองก็ใช้คู่กับห้ามไว้ข่มไว้ฉะนั้น ลักษณะของธรรมะนั้นก็คือใช้เหตุผลไคร้ครวนเพื่อเป็นการระงับใจไม่ให้หลงไปตามกับอารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุผลลงตัวก็ห้ามใจไว้ได้และเมื่อเหตุผลกระจ่างที่ใจก็เลื่อนขั้นไปเป็นจาคะคือสละทิ้งไปได้แต่ถ้าไคร้ครวนเหตุผลแล้วยังไม่สามารถระงับไม่สามารถห้ามไว้ได้ ท่านก็ให้ใช้ขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นปราการด่าสุดท้ายอดทนอดกลั้นนั้นก็ประกอบไปด้วยสับอยู่3คำคืออดทนและกลั้นอดคือไม่สวยอารมณ์นั้นต่อทนคือทนที่จะไม่ไหวไปตามอารมณ์นั้นกลั้นคือกลั้นไม่ให้อารมณ์นั้นออกมาทางท่าทางกิริยาและคาพูดเมื่อทำได้ดังนี้เราก็จึงเป็นผู้ที่มีความงาม งามในชั้นงามมารยาทและงามจิตว่าถึงเรื่องวิธีรักษาไว้แค่นี้ก็เห็นจะพอสมควรว่าโดวยวิธีการหาวิธีใช้และรักษาไปแล้วเมื่อรู้จักหารู้จักใช้รู้จักรักษาก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยจึงจะครบถ้วนทำไมจึงต้องปล่อยวางธรรมชาตินั้นมีกฎแน่นอนตายตัวอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ ทุกสิ่งล้วนดำเนินอยู่บนเส้นทางสายที่เรียกว่าเสื่อมสลายเช่นคนเราเมื่อเกิดนั้นก็ดำเนินไปเรื่อยๆไปสู่ความตายบางคนก็จะมีคำถามว่าช่วงที่เป็นเด็กจนถึงเป็นผู้ใหญ่นั้นมันเป็นความเสื่อมตรงไหนก็ขอแก้ว่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนั่นแหละทุกคนล้วนจ่ายอายุของตัวเองไปทุกวันทุกวันคือจ่ายไปเรื่อยๆทุกวันจนเป็นศูนย์ก็เรียกว่าหมดอายุไข นั่นก็คือตายนั่นเองกฎของความเสื่อมสลายนี้ก็ไม่ละเว้นให้กับความรักด้วยเช่นกันไม่ละเว้นให้กับความรู้สึกรักของเราและของคนที่เรารักไม่ละเว้นให้กับคนหรือสิ่งของอันเป็นที่รักของเราฉะนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเราต้องเผชิญแน่นอนนั่นก็คือความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ผลที่เกิดขึ้นมาก็หนีไม่พ้นคือความทุกข์นั่นเองเป็นอันแน่นอนและตายตัวว่าความรักเป็นต้นทางสายหนึ่งที่มุ่งหน้าไปสู่ความทุกข์เมื่อพูดถึงเรื่องของความทุกข์ก็ขอพูดออกนอกเรื่องไปสักหน่อยคืออยากพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสเอาไว้ท่านสรุปและแสดงว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ไว้อย่างไรบ้างครั้นเมื่อเริ่มปฐมเทศนา หัวข้อเกี่ยวกับทุกข์ก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแสดงไว้ด้วยโดยทุกข์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นมีดังนี้ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ชราคือความแก่ก็เป็นทุกข์ปรนะคือความตายเป็นทุกข์โสกคือความแห้งใจปริเทวะคือความคร่ำครวญทุกข์คือความไม่สบายกายทมนัตคือความเสียใจอุปายาสะคือความคับแค้นใจนีเป็นทุกข์ อปปเยหิสัมปโยคะคือได้ในสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นเป็นทุกข์ปเยหิวิปโยคะคือความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ยามปิดช่างนรภติตามปิดทุกข์้างคือปรารถนาในสิ่งใดแล้วไม่ได้นี้ก็เป็นทุกข์สังคิตเตนปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานในวงเล็บ ความยึดมั่นในขันห้าเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายที่ว่ามาเหล่านี้ไม่มีผู้ใดสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอไม่ประสบได้เลยเว้นแต่พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกอรหันของพระองค์เท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกอรหันของพระองค์ได้ก็บจัดเชื้อแห่งความทุกข์ได้หมดสิ้นไปจากใจทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้จึง ไม่ปรากฏที่ใจของพระองค์ได้เลยและเชื้อที่ว่าก็คือความไม่รู้ที่เราเรียกว่าอาวิชชานั่นเองแล้วทำไมแค่ความไม่รู้ถึงทำให้เราทุกข์ได้ละ่ะแล้วเราต้องรู้อะไรจึงจะไม่ทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านลองนึกคำตอบในใจไว้ด้วยนะคำตอบนั้นก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยที่เราทุกข์เพราะไม่รู้นั้นก็เพราะใจเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเอง ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะใจและขอเน้นลงตรงที่ใจด้วยคือใจไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองความเป็นจริงที่ว่าทุกอย่างนั้นดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความเสื่อมสลายไปพูดให้ฟังดูเป็นที่คุ้นหูขึ้นอีกนิดหน่อยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้สามั ญ, ญลักษณะหรือที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณ์คืออนิจจงคือความไม่เที่ยงทุกขัง คือทุกข์หรือความทนไม่ได้อนนตตาคือความไม่มีตัวตนความรักคนรักของรักเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสลายไปไม่สามารถอยู่กับเราได้อย่างยั่ ง, งยืนถาวรโดยปกติแล้วใจเราไม่เคยที่จะเข้าใจหรือยอมรับความเป็นจริงอันนี้เลยมีพ่อมีแม่ใจก็ไม่เคยรู้สึกถึงว่าสักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากไปมีลูกมีคนรัก ใจก็ไม่เคยรู้สึกยอมรับเลยว่าสักวันหนึ่งเขาเหล่านั้นก็ต้องจากเราไปใจคนส่วนมากก็มัวแต่หาว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเราไปนนานๆหรือไม่ให้เขาจากเราไปที่ว่ามานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเป็นคนเย็นชาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพียงแต่อยากให้พิจารณาทําความเข้าใจเตรียมใจเอาไว้ก่อนเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องประสบ พบกับความพลัดพรากไปได้เวลาทหารเขาสู้รบกันเขาก็ต้องเอาทหารไปฝึกก่อนจำลองสถานการณ์ว่าข้าศึกจะบุกแบบนี้โจมตีตรงนี้ตรงนั้นมีหลุมพรางแล้วเราจะรบยังไงจึงจะได้เปรียบและชนะในการศึกนี้ได้ซ้อมบ่อยๆซ้อมหลายสถานการณ์เราจึงได้ทหารที่มีความเชี่ยวชาญในการรบไปรบที่ไหน ก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแพ้แต่ในทางกลับกันทหารไม่ซ้อมรบหรือเอาคนไม่เคยฝึกรบไปรบโอกาสที่จะชนะแทบจะไม่ต้องพูดถึงนี้ฉันใดเราก็ต้องเตรียมสนามซ้อมรบให้ใจเราก่อนถึงเวลาเข้าสนามจริงใจเราจึงจะมีโอกาสชนะทุกมากกว่าแพ้ฉัะ น, นั้นเหมือนกันเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับการรบก็ต้องพูดถึงอาวุธ ทหารเขาก็มีจรวดมีเครื่องบินเรือรบรถถังย่อลงมาหน่อยก็เป็นปืนมีดและสุดท้ายก็มือเท้านี่แหละนี่เวลาทหารเคารพกันอาวุธเขามีมากมายขนาดนี้มีแต่ของหนักๆส่วนอาวุธที่เราจะรบกับความไม่รู้นั้นเราไม่ได้ใช้อะไรมากใช้แค่สติกับปัญญาเท่านั้นเองไม่ได้หนักเหมือนแบกเป้แบกปืน สติและปัญญานั้นก็เป็นของมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้วคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือและทุกวันนี้เราไม่มีสติกับปัญญาหรือก็ขอตอบว่ามีแต่มีในระดับที่แก้ทุกไม่ได้สติกับปัญญาก็เป็นของที่ต้องฝึกต้องทำให้เจริญขึ้นจึงจะเอาไปสู้กับความไม่รู้ได้เชกเช่นกับทหารเรามีทหารแต่ไม่ฝึกส่งไปรบก็แพ้ สติกับปัญญาของเรานั้นก็เช่นกันเราต้องฝึกให้ดีให้เจริญจนมีกำลังพอที่จะไปสู้กับความไม่รู้เมื่อรู้จากอาวุธที่จะใช้แล้วก็ต้องรู้จากวิธีฝึกใช้ด้วยเบื้องต้นนั้นเราก็ฝึกสติก่อนสตินั้นแปลว่าระลึกเป็นอาการหนึ่งของใจพระพุทธองค์ก็ทรงให้แนวทางในการฝึกสติไว้มากมายถึง40วิธีแต่ในที่นี้ก็จะเสนอแค่วิธีเดียวคือ วิธีที่ว่าด้วยการระลึกรู้ซึ่งลมหายใจหรือเป็นที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าอาณาปานสตินั่นเองใจนั้นมีหน้าที่ด้วยกันอยู่4อย่างคือรับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์ธรรมชาติของใจที่ไม่เคยฝึกนั้นก็เป็นไปดังบทหนึ่งในพระบาลีที่ยกไว้เป็นนิเขปบทที่ว่ายัตถะกามนิปาติโนแปลว่ามีปกติตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ ส่วนคำว่าละหุโนในบทตั้งต้นนั้นก็แปลว่าเร็วนี้ชี้ให้เห็นสภาพของใจจริงๆที่ว่าเมื่อเห็นสิ่งที่น่ารักหรือเมื่ออารมณ์ที่น่าใคร่เกิดขึ้นใจก็วิ่งไปหาอารมณ์เหล่านั้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็เกิดอุปาทานคือความยึดเอาไว้ว่านี่ของเรานี่เป็นเราจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความพัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือจะพูดว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นนำมาซึ่งความทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการของใจคือวิ่งออกไปรับอารมณ์หนึ่งยึดมั่นถือมั่นอารมณ์นั้นไว้หนึ่งอย่างนี้แล้วก็ต้องแก้สองจุดคือเมื่อยึดไว้ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเมื่อใจจะวิ่งออกไปรับอารมณ์ก็ต้องรู้ให้ทันไม่ปล่อยให้ไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษกับใจปล่อยนั้น เราก็ใช้เครื่องมือคือปัญญาที่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจนเข้าใจแล้วเห็นโทษในสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยวางส่วนรู้เท่าทันก็ได้จากการเจริญสติตามรู้ทันใจของเรารู้ว่าใจเราอยู่ที่ไหนกำลังวิ่งไปไหนเกาะยึดกับอารมณ์ใดทีนี้ก็วกกลับเข้ามาหาอนาปานสติหรือมีสติรู้ลมหายใจ วิธีทาก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากและซับซ้อนเลยเพียงแค่ระลึกรู้รู้สึกถึงการมีอยู่ของลมหายใจว่านี่คือลมหายใจเข้านี่คือลมหายใจออกแต่เคล็ดลับการทาก็อยู่ในคำแปลของคำว่าอานาปนสติคือเพียงแค่มีสติรู้เท่านั้นไม่ได้บังคับลมหายใจให้เข้าให้ออกแต่อย่างใดปกติแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้มากาหนดรู้ ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายของเราก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เพียงแค่นำความรู้สึกของเราหรือเอาความสนใจของเรามาเฝ้าดูรู้ลมหายใจอยู่เท่านั้นเองและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเพียงแค่รู้เฉยเฉยไม่ได้ส่งใจไปยึดติดกับลมความจริงเราต้องการแค่ให้ลมเป็นเครื่องล่อของใจเท่านั้น สิ่งสำคัญที่เราต้องการจากการเฝ้าดูลมหายใจนั้นก็คือสตินั่นเองสติที่ระลึกอยู่ที่ลมหายใจที่เดียวจนตั้งมั่นสติที่ตั้งมั่นนี้เองทําให้ใจนั้นอยู่แต่กับลมหายใจเศรษอารมณ์อันเป็นกลางๆของการหายใจอย่างเดียวหรือที่เรียกว่าใจเป็นสมาธิคือใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้แล้วก็เปรียบเหมือนเราได้ติดเครื่องตรวจจับเอาไว้ที่ใจ เมื่อใจเรานั้นออกจากการดูลมหายใจไปเราก็จะสามารถเห็นถึงอาการของใจที่วิ่งไปรับอารมณ์ทางโน้นทีทางนี้ทีเมื่อใจหนีออกไปจากลมหายใจเราก็แค่ดึงใจกลับมาที่ลมเหมือนเดิมแล้วใจเราก็หนีออกไปจากลมอีกเราก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมอีกจากที่ใจหนีออกจากลมได้บ่อยๆทีๆพอชนานาญมากขึ้นก็นานๆถึงจะเผอสักที ตรงนี้แหละที่ทําให้เรารู้เท่าทันใจอาการกระเพิ่มขึ้นของใจแม้เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถรู้ได้ทันทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ชำนาญคำว่าชำนาญ น, นั้นหมายถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วกําลังสติเราจึงรู้เท่าทันใจของเราและในระหว่างที่เราเห็นใจเราไปยึดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใด ตั้งอยู่ได้อย่างยั่งยืนเมื่อใจเราเห็นและเข้าใจอย่างนี้ที่ใจจริงๆใจจึงเห็นถึงความสำคัญของการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจตามความเป็นจริงดังคำอุทานของพระอัญญาโกณทัญญะที่เปล่งออกมาหลังจากได้ฟังปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าคำอุทานนั้นว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังสับบันตังเนโรธรรมมัง ใจความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าสิ่งนี้มีตัวตนสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นเขาจึงถูกละออกไปได้ใจจึงสามารถปล่อยวางสิ่งที่ใจไปยึดถือได้เพราะเห็นถึงความไม่มีเก่นสารในสิ่งนั้นๆเมื่อปล่อยวางเป็นไม่ยึดถือ เราจึงไม่ทุกข์หรือปล่อยวางความทุกข์ที่มาจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักได้และขอเน้นย้ำเสมอว่าต้องทาให้ชนานาญด้วยไม่ใช่ว่าเข้าใจครั้งเดียวแล้วจะมีความสามารถรบชนะทุกครั้งฉะนั้นต้องพิจารณาให้ใจเห็นอย่างนี้จนเป็นความชนานาญของใจจริงๆนี่จึงจะสามารถรบชนะกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้สรุปความว่าวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับวิธีหาความรัก โดยการขันมาสร้างให้ตัวเองเป็นที่น่ารักคนอื่นเขาก็จะมารักเราอีกทั้งวิธีรักษาความรักนั้นไว้หลังจากเราได้มาแล้ววิธีรักษานั้นก็มี4ข้อเท่านั้นเองคือจาระสัจจะธมะและขันติอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วและสุดท้ายก็สอนวิธีที่จะเตรียมตัวให้พร้อมกับผลท้ายสุดของความรักที่ทุกคนจะต้องเผชิญนั่นก็คือความพลัดพลาก โดยการฝึกใจเราเองให้มีความสามารถที่จะต้านทานกับความทุกข์สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเครื่องมือที่เราใช้นั้นก็คือสติกับปัญญานั่นเองฝึกสติก็ใช้เพียงแค่การรู้ลมเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีที่ใครๆก็สามารถทำได้แล้วก็หัดพิจารณาให้เป็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นเมื่อเข้าใจความจริงยอมรับความจริงจากใจ ใจจึงสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็สมดังพระบาลีที่ได้ยกไว้เป็นนิเคปบทแต่ตอนต้นว่าดุนนิขหั ส, สะะหูโนยัถะกามนิปาติโนจิตตัสะดัมโทสาทุจิตตังดันตังสุขาวะหังความว่าการฝึกฝนจิตที่ขมได้ยากอันเร็วมีปกติตกไปในอารมณ์อันบุคคลผึงเคร่เป็นความดี เพราะว่าจิตที่บุคคลฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ที่ได้แสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง